โอ้คนเขาลุยจากหลวงพ่อแต่หลวงพ่อไม่รูจ้จากเขาก็เลยบวชให้เขาบวชล้วก็ไปชมุมชีวิตหลวงพ่อฟังทีมันอไม่ตอบไม่ได้หลวงพ่อจะอยู่ไว้วันนี้วันเสาร์วันอาทิตย์โอ้ยสารถามจะทําไงเนาะหลวงพ่อเลยชีวิตหลวงพ่อเลยตอบไม่ได้เลยไม่ลุยจะจนยังไงขออุทิศชีวิตนี่เพื่อประโยชน์อะไรก็ได้ที่เป็นประโยชน์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 งัดออกได้ไหมใหม้พระนิมยมไปดูสกานในของอะไรเขาอยู่ที่นั่นคือกติกกรรมฐานที่เราอยูยาได้ใช่สิดไใปใส่กุญแจและหนีไปขอให้เป็นประโยชน์ผู้ใดมาก็ให้ได้พักได้ทุกสารทิตไม่เป็นของใครถ้าใครอยู่ก็เป็นของคนนั้นอย่าไปแย่งกันนะดันั้นก็ก็ให้อาจารย์สุทัศ ชวนเพื่อนพระไปชวนโยมไปไปงัดงกติลงังในออกให้เพื่อนของเรานักปฏิบัติทำได้อยู่ปฏิบัติสะดวกสบายนะใจเยินไหมเป็นเปนสะอาดเปนสะอาดเขาบอกวหวงพ่อเงัดกติหลงังในหลองพ่อไม่รู้มันอยู่ก็ได้เลยอือก็สมควรเจเวลา ต่อดุดลงผงใบแต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้นะพวกเรากราบพระพร้อมกัน <c oughs> อะรามคำว่ า, าจะสีแล้วจ <c> ะ <oughs> มาทานปีนแล้ว <c oughs> เ, เห็นเแียงเงินเแียงทองก็ค น, นละอ้ค์สวยดีตอนนัน พุทธังระนังพัจญานิธรรมระังพัจญานิธรรมรังัจาิุงพุทธังรังัจาิุรังัจาิุรังัจาิุงพุทธัง ที่ตั้งพระนางพระราห์แต่ทตั้งพระนา สวัสดีมสุษย์ทปรักพัฒมาธิยานีสุภาพมิราชกุศลธรรมยานีาพรัชาธรยานียุมานปัญตรศิปะธรรมยานีสุขยังสุขมานิปัญจศิลปะีรรมยานี สี่เนะสกขติยันติี่เลนะภูติสมปธาสี่เลนะนิพพติยันติปัาสีลังิโธระเยนงสัตว์หนึงยามคันเตายมาติยายารย ธระทาในตรงนี้กำลังมันจะทาอืมคิดรุนก็ไม่ได้เด้อจะไปรับไปเลยแล้วหลืว่าไม่คิดมากเรื่องโลกเรื่องร้านกลับไปบ้านจะทำหน้าที่ของตนของตนจะไปคิดจะพัฒ น, น์จะไปทะเลาะวิวาสกันจะต่อยกันเด้ออันตรธานในเมยังกันธ์เตอพุชามะพังหูชิด จ, จ่สาสัพพิจ้ามีคิดอันมากมีงานมาก โอโหกเกลียยาท้าวเจ้ามีคิดการมลูกไม่ล้านเป็นบุตรพญญานาคไม์ต้องไปรับติดต่ะไปฟินเสียงกันได้อาไปแล้วไม่ไม่เห็นแม่ตุเลยนะยังข้อเป็นไรไม่เห็นมาฮะเพตาะว่าสออาทิตย์แก่ อ, อ, ไ, อไม่เป็นไม่เป็นไข้ไม่ป่วยเนาะออไม่เป็นไรขอบคระ สมะสมุทโธภควาตุตังตัตตัังอะวะทิตวาตภวตัโมธรรมนามาตถะุปิปันโนภควาตุตังตัตังโกสามัคคีธม